س ل َ ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ل ا ع ق ي ب ة ل ل م ت ق ي ن و ل ا ع د و ا ن إ ل ا ع ل ى ا ل ظ ا ل م ي ن و أ ص ل ي و س أ ص ل م ع ل ى أ ش ر ف ا ل أ و ل ي ن و ا ل ْ خ ر ي ن ن ب ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه و م ن ت ب ع ه م ب ِ ح س ا ن ا إلَى و د ي ن ثم ُ م ل س ل ا م م ّ ا ب َ ع م د ُ س ا ل ทำไมต้องอ่านคุรานและทำไมทำไมต้องมาเรียนความหมายคุรานถ้าตรงนี้เป็นโรงเรียนฮาฟิตที่รับสมัครนักเรียนอายุ7 8 9ขวบหอที่จะมีคำตอบสำหรับเด็กแน่น ออพ่อแม่ส่งมาใช่ไหมก็ส่วนมากก็เด็กก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเด่นเองคือจะจะให้เด็กมีอิสระในการที่จะเลือกไปโรงเรียนหรือไม่ไปโรงเรียนจะไปไหมไม่ไปเด็กไม่อยากไปโรงเรียนต้องมีพ่อแม่คอยบอกเขาเ่พาะ โตแล้วอ่ะโดยเฉพาะการเรียนรู้ศาสนานอกระบบไม่จริงว่าที่มันไม่ได้มีวุฒิหรือปริญญาที่สามารถต่อยอดผลประโยชน์จากการศึกษานั้นได้เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า การศึกษาด้านศาสนาที่มีวุฒิมีปริญญาเนี่ยมันก็มันก็มีคนประโยชน์แต่การที่เราได้เรียนเรียนศาสนาจะจะสาขาจะอุชาอะไรก็ตามโดยที่ไม่มีไม่มีจุดหมายเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่ง ที่เราสามารถปลอบใจตัวเองได้เราไม่ได้มาเรียนเพราะหลังเรียนเขามีแจกซองเราไม่ได้มาเรียนเพราะถ้าดูมาเรียนที่นี่โดีได้ออกช่องทีวีเราไม่ได้มาเรียนเพราะผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดคง ของโลกดนเนี่ยนี่ิ่งถ้าถ้าเราได้ต่อยอดการศึกษาที่นี่เนียที่เราเรียนที่นี่หรือที่ไหนก็ตามกับใครก็ตามที่ที่เป็นภาคอาสาสมัครใจถ้าเราได้ต่อยอดการศึกษาด้วยตัวเองไปอ่านต่อไปศึกษาต่อไปค้นหาต่อมันก็เป็นตัวพิสูจน์ว่า ในคุรานั่น่ะมันมีอะไรคุรานั่นมันมีอะไ ร, นนะไรที่ทําให้เราที่ทําให้เราได้อยากเรียนผมเคยสอนคุรานสอนความหมายคุรานแบบเนี้ยแล้วก็คนที่มามาฟังมานั่งเรียนกับกับผมนี่ก็ชาวบ้านนะคนอายุมากแล้ว ได้ถามว่าเนี่ยมันมานั่งเรียนทำไมเขาบกว่ารู้สิกรู้สิกสบายใจคืออย่างน้อยเนี่ยการเรียนรู้กุลานการอยู่ใกล้ชิดกับกุลานเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่ทดลองการอยู่ใกล้ชิดกับอุลัยเนี่ยจะต้องพบประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดผมบจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ ผมดถึงตัวคุรานนะ่ะแต่ตัวช่วยอื่นมีตัวช่วยถ้าเราไปเรียนต่าซีลในป่าย่างเงี้ยผมว่าคนมีเยอะหรอกอยู่ห้องสบายๆแบบนี้มันก็ช่วยได้ระดับนึงระดับหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้มไดม่ได้บอกว่าเงินกเป็นเงื่อนไขมาเพราะพอมีแอร์เน่ยคงไม่ใช่ เคยสอนสันติชนใครทันไหมทั้งนั้นที่เขาก็มีแอร์นะแต่แอร์นี่ต้องหยอดแอร์ของเขาเนี่ยต้องหยอดแล้วตอนนั้นผมไม่มีตังหยดแล้วคนที่มาเรียนก็น่าจะเหมือนผมเนี่ยไม่มีตังหยดเขาก็เปิดเอ่อเปิดแบบทั่วไปนี่ก็พัดลมมานะ่ะเป็นยังไง <laughs> ร้อนรอนเคยสอนที่บ้านบ้านแม่ยายผมเนี่ยเราดแอร์มังนกันนะ่ะแต่คนยุแอร์เอาไม่อยู่ร้อนมือนกันเราสอนตึกดินนี่หินห น, หนาวเลยละอันนี้อันนี้ไร้สาระนะตัวช่วยอย่างเช่นคนที่สอนคนที่สอน เอกสารหนังสือที่เข้าถึงได้ถ้าสมมติว่าผมสอนตอัฟซีร์มาฟัติหอุลไกบ์ลิลอิมามอัลรอซีเอ่อเตฟซีร์ของราก็ดีนะแต่ตัฟซีร์ผมเข้านี่เชิงเชิงปัจจาเชิงตักะตะกะลูจิก เรื่องเหตุเรื่องผลทุกอย่างนี่เป็นเป็นฟิลโซฟีไปหมดบางทีนี่จะมานั่งนั่งอ่านห้าบรรทัดเนี points, ่ยใช้ไปชั่วโมงเดีนี an ้ก็มีนะมีคนที่เอาเอาบทความของของผู้รู้ที่เขาอุลมะที่เขาอธิบายเรื่องราวของศาสนาในด้านด้านปัจเาด้านเลด้านตะกัเนี่ย มาสอนใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช้เวลาเป็นชั่วโมงนี่อธิบายคำพูดของคนไม่อยู่คำพูดของพระเจ้าการอธิบายที่เราได้อธิบายนี้ผมได้ประมวลข้อมูลที่มาจากตำรา <c oughs> ตำราหลายตำรานะแต่สิ่งที่พวกเราได้มองเห็นหลังจากประสบการณ์ผมเคยสอนนะเอา แต่สิร์มเนี่ก็สิร์มวตั้งแลกอ่านเลยนะวันไม่ไม่ั้านั้นอิมเนี่ก็พยายามที่จะอธิบากุรอ่านด้วยกูรอ่านกูร์อ่านด้วยฮัดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่ามันมีคําพูดมนุษย์อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเข้ากับกูรอ่านแล้วมันมันยาวนาพอได้ตั้งกูรอ่านตัวตัวบทของกูรอ่านเนี่ยเป็นเนื้อหา จะทำมหเรารู้สึกว่านี่ไงเราสามารถไปพูดที่ไหนก็ได้ว่าเราเรียนเรียนอัลกุรอานเราเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานจุดหมายของเราในการที่จะศึกษาศึกษาเนื้อหาความหมายนี้ก็คือตัวกุรอานไม่มีคําพูดของมนุษย์ไม่มีไม่มีคําพูดของ ของใครจะมาเป็นที่ตั้งสำหรับการเรียนรู้เพราะกุตัานที่ที่เราเอามาเรียนรู้เนี่ยเพื่อปรับความเข้าใจที่เรามีต่อทัศนะต่างๆของมนุษย์เราจะให้กุรัานเป็นที่ตั้งในในมุมมองของพวกเราในในทุกมิติทุกภาคส่วนในชีวิตของเราการเมือง เศรษฐกิจการศรึกษาครอบครัวสังคมการปกครองทั้งหมดเนี่ยูอ่านจะต้องเป็นทางนำผู้อ่านจะไม่มีรายละเอียดนะของเสียงจะจะเป็นทางนำเป็นเป็นแนวทางเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสแสงสว่างในทุกประเด็นที่เราอยากจะปฏิบัติในชีวิตของเรา แต่วการที่เราได้เรียนรู้อยากเรียนรู้รอ่านคุตั้นเพราะในตัวกุตัานเนี่ยต้องมีแรงดึงดูดในตัวกุตัานมันไม่ได้มีอะไรภายนอกที่จะมาบังคับให้เราเรียนรู้กุตัานให้เราได้อ่านกุตัานไม่มีเราตื่นกลางคืนละหมาดอ่านกุตัานเพราะเราเพราะเราอยากได้สัมผัส เราเ ป, ปิดคุรตานเวลาไหนอยกากจะอ่านแล้วก็รู้สึกมีความสุขมไม่ได้มีความสุขเพราะมันมันอยู่ในห้องแอร์ไ่ใช่มันอยู่ในตัวคุรตานมันก็เป็นเคมีอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามานั่งคิด ถ้าลงเราจะเรียนรู้อัลกุรอานจะได้พิสูจน์พิสูจน์ว่าสจะทำอยู่ในอัลกุรอานด้วยการตรวจสอบด้วยการตรวจสอบเหมือนสนลแกนบางองคอ์กรบางนักบุญชการบอกว่าศึกษาเรียนรู้อะไรนะพิสูจน์เชิงประจักษ์อะไรนะ อมลืออะไรนะใช่ไหมอะไรพิสูจน์อะไรนะไปว่าอะไรเชิงประจักษ์มีมีครรู้ปะพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์พิสูจน์พิสูจน์หลักการนิสลามเชิงประจักษ์อะไรประมาณเนี้นะแล้วก็ลักษณะการการการบรรยายการพูดเนี่ยดูเหมือนว่า อิสลามและคุรานเนี่ยจะต้องมีหลักฐานภายนอกมาพิสูจน์และที่นิยมนิยมแนวทางเนี้ยแนวทางที่ชอบใช้ตะ ก, กะินนะตะ ก, กะใช้เหตุใช้ผล เ, <laughs> เพราะมันเข้ากับปัญญาชนยุคนี้ที่ให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับ การพิสูจน์ทางบัรยาแม้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยสมองของตัวเองซึ่งคือพอพอเราได้สัมบัติกับกระบวนการนี้เนี่ยมันสนุกนะอะเพราะเพราะอะไรเขาบอกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสมอง ทำไม้เรารู้สึกว่าเราได้ถึงศัจธรรมด้วยตัวเองซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง น, นะะหมายถึงว่าถ้าเราได้ถึงสัจธรรมด้วยตัวเองโดยสมองด้วยการพิสูจน์เชิงประจักษ์เชิงประจักษ์มีทีความได้หลายอย่างนะแต่ส่วนมากนี่เชิงประจักษ์เนี่ยก็หมายถึงว่าอุทยาศาสตร์วิชาการหลักการเหตุผลต่างๆภายนอกเพราะอยากว่าจะพิสูจน์กุตลานด้วยคุตลานก็ ประโยชน์นี้ประโยคนี้ไม่มีความหมายพิสูจน์พิสูจน์เชิงประจักษ์แต่แท้จริงแล้วการบรรลุทางนำและได้พบกับความจริงอาจไม่ต้องอาจไม่ต้องใช้สมองก็ได้อาจไม่ต้องใช้สมองก็ได้ แม้กระทั่งในเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่บางทีก็พิสูจน์เชิงประจักษ์ก็ไม่ได้สวรรค์นรกฟื้นคืนชีพ อ, อะไรที่หลังหลังจะเกิดขึ้นหลังความตายอย่างเงี้ยมันจะเอาวุทยาศาสตร์เอาสมองตะ ก, กะปัชญาอะไรนี่มาพิสูจน์นี่มันก็มันก็วนวนไปวนมา เพราะทุกวันนี้เนะี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ยอมรับเนี่ก็เพเขาเข า, ข า, ข า, ขาอินกับเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวจะเอาอะไรมามาม า, มาพูดกับเขานี่อย่างเช่นว่ายอมรับในพระเจ้าไม่ยอมรับในพระเจ้าพราะสัมบัติไม่ได้เขาไฟฟ้าคุณก็สัมบัติไม่ได้อันนี้อันนี้เชินนงประจักษ์นนะพิสูจน์โดยตักตะอะไรเงี้ยแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ยอมรับในพระเจ้าเลยเนี่ยเขาไม่คุยกันแบบนี้แน่นอน เขามีคุยกันแบบนี้แล้วคุยกับเขาแบบนี้เนี่ยเขาาก็ขำอะมันไม่ใช่มันไม่และส่วนมากนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าได้รับอิสลามนะส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ไม่ได้เชื่อในอิสลามเนี่ยเพราะเขามีหลักฐานในมือจากกระบวนการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เห็นว่าอิสลามส่วนมากนะว่าอิสลามเนี่ยเป็นจริงมีสัตรูมีแหละ มีนักวิทยาศาสตร์บ้างมีมีพรั่งชาวตะวันตกโดยเฉพาะนะเอ่อที่ที่เขารับอิสลามเนี่เพราะเพราะเพราะเรื่องเองเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละแต่ผมได้ศึกษาประวัติของคนที่รับอิสลามจํานวนยุบนะครับดูแล้วว่าเหตุผลที่เขาได้รับอิสลามมันอยู่ในเหตุผลที่เขาได้ ได้รักอัลกุรอานชอบกุรอานไม่ไม่ใช่เรื่องที่สรางไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องปัจจัยภายนอกจากอิสลามจากอัลกุรอานไม่มันเป็นแรงดึงดูดที่อยู่ในอิสลามที่อยู่ในกุรอานมันคือความเป็นศัจธรรมที่เมื่อพบเมื่อเห็นแล้ว ไม่สามารถปฏิเสธเสมือนแสงสว่างสำหรับคนที่กำลังหาสว่างสักอย่างหนึ่งพอเจอแสงแล้วนี่นะไม่สามารถที่จะโอหกตัวเองแล้วบอกว่ามันมันความมืดมันคือแสงสว่างมันเป็นแหล่งแสงที่แท้จริงที่ก็ปฏิเสธไม่ได้และนี่คือสิ่งที่ผมที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นนี่วเคยถามตัวเองไหมว่า ทำไมเราเรารู้สึกว่าเราอยากอ่านกุรอ่านและบางคนนะขี้เกียจแล้วก็ห่างห่างจากการอ่านระยะหนึ่งแต่ก็สุดท้ายจะรู้สึกคิดถึงกุรอ่านและคนที่ใกล้ชิดกับคุรอ่านในเพราะอ่านกุรอ่านศึกษาเรียนรู้กุรอ่านเนี่ยเขาจะมีความสุขไม่ใช่ปัจจัยจากภายนอกกันหมดปัจจัยภายนอกเแค่เสียงแหบๆแบบนี้เนี่ยปกติก็ คนส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากฟังนะั่นนะมันเป็นสิ่งที่เราสุภาโนตานะได้ซ่อนไวน้ในในตัวกุฎานและยิง่งอ่านกุฎอ่านนี่อ่านกุฎอ่านอย่างเดียวนะไม่ต้องศึกษานะยิง่งอ่านกุฎอ่านอ่านอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องศึกษานะจะมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างหนึง่งสักอย่างหนึง่ง ผมเคยเล่ามาแล้วว่ตอนที่ผมยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีมีเพื่อนต่างชาติอยู่อังกฤษเขาโทรมาแต่ก่อนนู้นไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอีเมลไม่มีโทรมาเองโทรอย่างเดียวโทรมาบอกว่านี่มีมเพื่อนอังกฤษคนหนึ่งเป็นนักมวยเขารับอิสลามแล้วแล้ ว, ลวก็อยากจะไปตอนนั้นอยู่อียิบต์เลย เขาอยากจะไปเรียนที่อัสสัเพิ่งรับอิสลามบัดหมาเนี่ยสดๆเขาอยากจะไปเรียนภาษาอรับก็ไปรับเข้ามาแล้วก็อ่ามามานอนที่บ้านเวลาสุโบก็ไปตอนนั้นผมเป็นอิหมามที่มัสยิดเพราะอ่านเพราะอ่านกุศอ่านเนี่ยหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเขาร้องไห้ในละหมานเขากค่บ้านหก็ถามว่าคุณคุณฟังกุศอ่านเนี่ย คุณเรียนภาษาอรับแล้วเหรอโอ้ยยังเลยผมพูดกันภาษาอังกฤษนะโอก็ยังมีซาลาเปียมเนี่ยมาเนี่จะได้มาเรียนภาษาอับแล้วก็คุณฟังคุณอ่านเนะคุณร้องไห้ทาไมอบอกเขาบอกผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าในกุณอ่านนี่มันมีอะไรที่มีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องตามหาอันนี้คือเหตุผลว่ า, วาทาไมเขาอายุก็มากแล้วนะอยู่ตอนนั้นตอนนั้นผมอายุประมาณยี่สิบนิดนิดยี่สิบเอ็ด เขาเนี่ยอายุจะจะจะจสามสิบ้าใกล้สี่สิบแล้วเพิ่งจะมาเรียนเพิ่งจะมาเรียนศาสนาเรียนภาษารับฮเขายังไม่ได้เรียนแค่อ่านอย่างเดียวนี่เขาก็เขาก็เห็นคุณค่าของบุอ่านแล้วแต่ยิ่งเรียนรู้ความหมายุทอา่านนี่เรายิ่งพบและจะพบอะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าวิเข้าไปสัมผัส ลึกอ ok ok ่านลึกมากแม่กุาการเนี่ยเขาก็จะเขาจะเปรียบเปรียบเสมือเนาะอ่านเนี่ยเหมือนมหาสมุทรเราเรายืนที่หาดในเรานึกยโบสุดสายตาในีมันก็คือไกลเลยพอถ้าเราพายเรือเข้าไปอีกนะมันยิ่งลึกไปอีกถ้าเราดำน้ําไปอีกในเรา เราดำไปสิบเมตรเงเรานก็ลึกแล้วนี่ยิ่งดำไปยิ่งลึกไปอีกไม่ใช่เพียงความรู้ที่เราจะได้จากคุรานสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือตัวพิสูจน์ในกุรานานะอ่านแล้วศึกษาแล้วเนี่ยเราจะพบจะเห็นตัวพิสูจน์ในคุรานว่าอัลลอฮ์มีจริงสัจธรรมมาจากอัลลอฮ์จริงคุรานนี่เป็นจริง และส่วนมากที่รับอิสลามนสมัยท่านนบีสุลตลฮัวในยุสัลลัมนี่ก็ฟังฟังกุรานเอยไม่มีเอ้ยขอเรียนขอศึกษาก่อนสักพักหนึ่งเรียนรู้ก่อนขอพิสูจน์เชิงประจักษ์นิดนึงก็จะสมัยท่านนบีส่วนมากนี่จะฟังกุรานนะนะแม้ก็ะั่งมุชริมที่เขาดือดึงแต่ท่านนบีนี่ก็ ยอมรับในความสวยงามของกุรอานนี้มานั้งแอบฟังแอบฟังกุรอานอายะห์สิบห้าถึงอายะห์ยี่สิบเนี่ยพูดถึงท่าทีของพวกอุสลิกอินพวกที่ปฏิเสธกุรอานท่าทีเขาที่ก็ไม่เอาไม่ยอมรับในกุรอานไม่ยอมรับในท่านนบีสุลต์สัลลัมและก็คำคำโต้เพราะอย่างที่บอกว่าซูรยูนุสโดยเนื้อหาส่วนมากที่ปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัด แล้วก็เอาเรื่องราวของบรรดา نبي อัลล์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาได้เจอเหมือนที่ท่านนบีได้เจอเนี่ยมาปลอบใจผู้ศรัทธารุ่นหลังว่าเจอเหมือนที่นบีอัลลอฮ์สุลแลมและบรรดา نبي อัลลสุทได้เจอทั้งหลายเนี่ยอย่าท้อแท้อย่ารู้สึกอ่อนไหวซึ่งคําเตือนที่คุรานได้เตือนแต่ละท่อนในสุรจูนุสเนี่ย มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับการชี้แจงถึงคุณค่าอันกวรนในอายะห์สิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเรื่องคุณค่าของคุณอ่านที่อยู่ในตัวคุณอ่านอามกำลังโฟกัสให้เราได้มุ่งมุ่งไปหาคุณค่าของคุณอ่านนั้นๆซึ่งมันจะไม่เกิดจากตัวเราไม่เกิดจาก ใจภายนอกมันต้องเกิดจากการที่เราเชื่อว่กุรานนี้นี่มาจากพระเจ้าต้องเชื่อว่ากุรานนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใของมนุษย์นะไม่ใช่เรื่องอุปโลกของท่านนบิบบิมฮามส์อัลลอฮฺอัลเลาะห์เลสลแล้วและเราจะได้จุดสําคัญจุดเริ่มต้นในการพิสูจน์เสรีธรรมของกุราน มาจากนี้มาจากการที่เรามุ่งในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวคุณอ่านไม่ใช่ความสามารถที่โอ้กูมีสมองอะ่ะถ้าคุณอ่านจริงแล้วนี่นะเดี๋ยวกูต้องเจอแน่นออันนี้เริ่มต้นด้วยความด้วยความยะโสเต็มเต็มเลยเนี่ยอ๋ออ๋อดีคุณที่คุณจกิดได้เนี่ยพราเพราะคุณเพราะคุณมีสมองนั่นแหละใช่ไะใช่ไห ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยฮิดายะที่อโมจะมอบให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยถ้าพระองค์ไม่อยากให้ก็ได้เรื่องของของพระองค์และในเมื่อเราเราไม่ได้เสนอหน้าต่ออโไม่ได้ขอความเมตตาจากอโมไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากอโมแล้วไม่ได้ไม่ได้มอบหมายไม่ได้มอบหมายให้สินเจ้าอโม ผอ๋อเะเธอเรนี้เป็นจริงเนี่ยข้าพาเจ้านี่เปิดใจแล้วเปิดหัวใจเปิดสมองแล้วเธอเองนี้เป็นจริงเน่ยได้ปลดให้มันเข้ามายึดหัวใจยึดสมองเนี่ข้าพาเจ้ายกแต่อปีประเภทที่มันกูมีสมองกูโดนหลอกไม่ได้หลอกูกูแถวอยู่แล้วอันนี้คนนี้ไม่ได้เปิดใจนะนี่ปิดใจชัดๆหละแล้วคนส่วนมากที่ดระล้าที่หลงผิดเนี่ย ก็พะปิดใจแบบนี้แหละมองว่าโอหังขนาดที่สมองตัวเองหัวใจของตัวเองนี่เป็นที่ตั้งเหมไหมว่ากุรานมาไบเบิลมาอะไรมาดูกูจะรู้เองเขาอาจจะรับความสงสารจากอัลลอ์ให้เขาได้พบกับความจรงิงก็ได้แต่ก็เป็นไปได้ ว่อัลลอฮ์จะปล่อยเขากับความสามารถตัวเองและทุกคนเนี่ยดิ้นรนกับความสามารถของตัวเองนีนะก็ตัวใครตัวมันละละอีดายาตุเตฟิกมีสองดายังไงอีดายาตุอีดายาตุเอรชัดทางนำที่อาม่าให้ทุกคนในมีเครื่องมือมีหมดเลย มีสมองมีกุรอ่านมีเครื่องมืออะไรทุกคนใน ม, มีหมดแหละนี่ไ้ตอช่ทุกคนมีในเรื่องนี้เนี่ยเสมอภาคและใครที่เสียเปรียบในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ปัจจัยในเรื่องนี้อันเป็นเนื่องไขสสำคัญในการบิดายาเนี่ยเราก็ะะไม่เอาทษไม่มีเครื่องมือไม่มีปัจจัยไม่มีสื่ออะไรที่จะทำให้เข้านี่เข้าถึงสารที่มาจากพระเจ้าเนาะเรไม่เอาโทษว่าคุณนโมอศบนะ เพราะฉะน ห, ห้นเราต้อ ง, ง่ต้ว่าเราเป็นใคร เข้าเข้าไปอยู่ในหัวใจในสมองของเราแล้วเราจะไม่แล้วเราจะไม่รู้สึกอึดอักไม่รู้สึกปวดหัวไม่รู้สึกสงสยัยนะบางคนที่นั่งสงสัยเป็นปีเป็นสิบสิบปีรู้แล้วละเจอแุ้อ่านก็เจอแล้วแต่ก็นั่งศึกษาเป็นสิบสิบปีน่าสงสารไปมล่นะไฟฉ า, ยายอยู่ในมือ สองสว่างนี่ไม่สว่างอ่ะต้องคิดดูดิกุรอ่านอยู่ในมือแล้วเนี่ยทำไมเขายังไม่ได้รับผิดได้อ่ะในกุญจบางคนเนี่ยนเนี่ยชอวตะวันตกนี่ถึงขนาดที่ท่องจำก็พยายามท่องจำกุร์ตอ่านดาบาทหลวงนี่ที่ขอรับอิสลาม น, นที่หลังนี่เขาก็จะพูดเนื่องจากว่าเขาเขาเริ่มต้น เขาเริ่มต้นชีวิตด้วยด้วยการสงสัยในอิสลามไงบางคนก็รับหน้าที่ศึกษากุอั้งจะได้หาข้อสงสัยจุดอ่อนจ ะ, จะได้โจมตีกุตัางก็อว้วนอย่างนี้แต่พอศึกษาไปสุดตรงใช้เวลาไงคือเริ่มต้นศึกษากุตัานมันไม่มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วไงมันต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาเงินก็ไปสิบิปีเ น, นี่ยกว่าจะกว่าจะถึงบางอ้อ สอสามอายาเนี่ยที่เราจะเรียนรู้นี่มันอยู่ที่ประเด็นที่ผมได้นำเสนอครั้ ง, งต้นถ้าเราเคยอ่านกุณอ่านด้วยความเข้าใจหรือความรู้สึกว่าเราว่าอจเดี๋ยวกูจะเองอ่ามานี่มานี่อดี๋เดี๋ ย, ยฉันเจอเองฉันฉลาดพอโอ้แต่ฉันไม่ไอ่านเยอะแต่ฉันไม่ได้ศึกษาเยอะนี่ก็คงคงไม่เข้าใจหรอก แต่ฉันมีองค์ความรู้เพียงเพราะทั้งหมดนี้ก็พยายามที่จะพิสูจน์ให้ตัวเองได้เชื่อว่าถ้าพบรางวัลอะไรจากอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้จาก Allah แล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยเชื่อเลยเชื่อได้เลยนะครับว่าอิดายาที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ที่สุดที่ Allah อยากจะให้มนุษย์เราได้อธิบายไปแล้วเนี่ยอายาที่สิบห้า ที่เขาบอกกับท่านน บ, บีอกว่าเอาคุตัานเล่มอื่นมาซะที่อ่านในพวกเราเนี่ยเราไม่ชอบเราไม่อยากได้เอาตัวอื่นมาซะเปลี่ยนเปลี่ยนกุอัานเอาเล่มอื่นมาซะน บ, บีก็บอกว่าไม่ได้เป็นอำนาจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีอำนาจที่จะมาเปลี่ยนคุอ่านหรืออุปโนกคุอัานโดยตัวเองเขาบอกว่าที่จริง เขาถามน บ, บีแล้วรู้ว่าน บ, บีเนี่ยคงจะเปลี่ยนกุตลานไม่ได้แล้วก็ลองดูถ้าเป็นน บ, บีโกหกเนี่ยเขาก็จ ะ, ะจะเอาจะเอาเล่ออื่นจะไหมจะเอาบทอื่นจะไหมเหมือนเหมือนรายการรายการก่อนรายการวิทยุทีวีเนี่ยอยากฟังเพลงอะไร อ, ะอยากฟังเพลงอะไรมาเป็นเป็นยุทธศาสอระเด็วจะได้จะได้กูตัด จัดให้อะอาวุณอ่านนี่ไม่ชอบก็เลยบอกว่าอันนี้มันคืออารมณ์ของคนที่ไม่เอากุณอ่านตลอดตด้ตั้งแต่สมัยนบียันถึงปัจจุบันนี่นะเพาะอ่านกุณอ่านเออขโมยตัดมือดอกเบี้ยบาปแม่เไม่เอามเอาเรื่องอื่นไม่พวกคนนี้ไม่แม่ไม่เอามีนะนักวิชาการแล้วก็ผูรู้ศาสนานี่แหละมีนะไอพวกจัดให้เนี่ยมี จะให้กงเลจมีเอาที่สบายใจกุรอ่านถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ไมาใช่ของพระเจ้าไม่ใช่ของพระเจ้านะพระเจ้าได้ส่งคุรอ่านมาเพื่อสถาปนามนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะมนุษย์เนี่ยไปตกเป็นทาสของอารมณ์ตัวเองของกิเลสของสิ่งมวดล้อม พระเจ้ า, จานี้ก็จะส่งกุอาจมาเพื่อฟื้นฟูความเป็นมนุษย์เหนี่ยให้เกิดความสมบูรณ์ของมนุษย์ท่านนาบมพรม้บอกว่าท่านทำไม่ได้ถ้าท่านทำนี่ฉัานกลัวฝ่าฝืนองค์มโนวันเกียร ม, มากนี่พระองค์จะลงโทษฉันอายาสิบหกนี่ต่อเ น, นื่องแต่มันจะมีเพิ่มเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากอุลเลวชาอัลลอฮุมาตาเลาวตุฮวาเลกุ ولا أ د ر ا ك م به، فقد لبست فيكم ع م ر ا من قبله، أ فلا تعقلون. جون كلود هد أو محمد. جوابه، هي. เขาบอกว่า، ن ي ن ما أخذ، ليم أدن ما، أخذ، توا بدن أدن ماذا؟ الله بقول هذا النبي ب و ل هاي تابه. لو شاء الله ما تلوته، حال الله سون برسوم، أنا جاي م ق ر أ القرآن ك بكتان. วละอัลดราคุมบีและพระองค์จะไม่ให้พวกท่านได้รู้อัลกุรอานนั้นสองอาญานีเนี่ยไอสองท่อนนี้เนี่ ย, นนยในอายะเนี่ยที่อยากให้พี่น้องได้จดจำไว้ถ้า Allah ไม่ประสงค์นะฉันก็จะอ่านไม่ได้ถ้า Allah ไม่ประสงค์เนี่ยพวกเจ้าจะก็จะไม่รู้กุรอานไม่รู้เรื่องเลย ถ้า Allah ส่งประสงค์เนี่ยมักก็จะไม่ให้เรามาเรียนความหมายกุรานที่นี่ถ้า a l เ a าส่งประสงค์เนี่ยมาักอาจจะไม่ให้เราได้เข้าถึงกุรานจะเปิดกุรานจะไปหากุรานจะ ไ, ได้ ह, อ่านจะไม่พบกุรานมีหรือโอยมีเยอะแยะอะไรในสังคมปัจจุบันนี่ดูเลยมุสลิมแท้ๆ เ, เลยในบ้านนั้มีกุรานไหม ในรถเนะีมีคุณอ่านไหมที่ทํางานนะ่ยมีคุณอ่านไหมมีแล้วมันอ่านไหมแล้วมันอ่านไหมมันเลือกที่จะไม่อ่านเลือกบิ่นะเลือกเพราะอะไรเพราะบางทีนี่ยเอามาเจอเพื่อนแบบพวกไอพวกไอพว ก, พวกเข่งเข่งนี่้กุกเกียดมันเลือเกินมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยมาเจอเพื่นเพื่อนพวกนี้นัจับคุณอ่านเฮ้ยเฮ้ยมานมาอ่านคุณอ่านกันนะแจก ใจอ่านอาม่าอ่านอานก็มีบางคนที่บอกว่าเอออยากจะให้เพื่อนเพื่อนเขาชีวิตชีวาอะไรบ้างทางานกันตั้งปีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับศาสนาอะไรเลยเฮ้ยมารามอ่านกูอ่านกันหน่อยดิว่าใจอานเฮ้ยแมวเฮ้เป็นไรฮะกูมีอะไรบ้างจับกูอ่านไม่ได้ขรึ่งเาะจับกรอ่านไม่ได้ เลือกที่จะไม่ทำก็ได้เลือกมีคริสคนหนึ่งขาเล่าเขาบอกว่าสาเหตุที่เขารับอิสลามเนี่ยเขาดันรถเมย์ที่มปที่อีบนะไปทีป่ีบนี่ส่วนมากมื่สิ่งใหญ่นี่ก็จะติดถนนแล้วเขาจะเปิดลำโพงลั่นเล่นคนข้างนอกนี่ได้ยิน ประีนั่งรถช่วงนนช่วงวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์แล้วก็มีขอเตีบคนที่นั่นดังดังคนหนึ่งชื่อชื่อดุลฮามิดกิชกเขากำลังขุดบ่าอยู่แล้วก็พูดเรื่องกุรอานอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับท่านนบีอีซาท่านนบีมูซาอะไรสักอย่างแล้วก็คนวิเศษเขาก็เขาก็ฝคือฉันเลือไปนิดอะไรเนี่ยเสียงอะไรดังดง รถมันติดไปนิดนึงก็เลยไฟบังคับรถไม่อยากจะฟังกันนะแต่พอฟังแล้วเนี่ยเอเรื่องมันเรื่องมันมันมันน่ามันดึงดูดนะฟังแล้วนี่อยากจะรู้อีกถ้าคือเขานี่เป็นคริสต์มาสามสิบปีแล้วไม่ได้รับอิสลามแล้วอยู่กับสังกู ม, มุสลิมนี่มาเพื่อนกับเป็นมุสลิมหมแต่ไม่เคยที่จะสนใจอิสลามแล้วว่ามันมีเรื่องอะไรดึงดูดในตัวคุราน พอฟังแล้วไม่หยุดแค่นี้นะครับพอไปแล้วเนี่ยก็ไปถามเพื่อนมุสลิมไอ้ตกลงเรื่องนี้ในคุอัลเอ็งไงวันเนีมุสลิมก็สวดว่าเขาก็ไม่เคยมีความรู้อะไรลึกซึ้งในกุตัลอ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างงี้นะแต่ก็ไม่ตอบไม่ไม่เต็มที่อ่ะะคือไปถามคนทั่วไปไงออ่คนทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยดูคลิปเขามาถามคนทั่วไปเนี่ยรุกุลอิสลามหา้รุกลเนี่ยรุกลุนแรกคืออะไร มีงี้ด้วยรู้กุนได้ของอิสลามอิล ล, ล, ลัลลอฮ์อัลลอฮอะไรนะมีนมันมุสลิมที่ไม่รู้มีมีแบเประว่นานาบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยชื่อท่านอะไรอะไรนะก็าถามมันไม่น่าจะไม่น่าจะมีงงอนะเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้มันไม่น่าจะมีงงเลยนะเขาก็ต้องไปอ่านอ่าน เข้าถึงความรู้ความรู้เนี่ยเาไม่ปิดไม่ปกปิดถ้าเราถ้าเราอยากไปหาเลาก็จะอำนวยให้แต่ที่สำคัญอย่างที่บอกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดช่องทางแต่ที่ต้องรู้าในคุรานนะและในอำนาจพระอำนาจของเราในเดชู้ว่าขอเราเนี่ยพระองค์มีอำนาจหนึ่งที่เราจะมอง้าไม่ได้ ตานาจที่อัลลอฮ์จะให้เราเนี่เข้าถึง Quran, กุฎอ่านแล้วก็พระองค์นี่ไม่ประสงค์อ่นนะเราจะไม่เห็นกุฎอ่านจะไม่ไม่เจอกุฎอ่านไม่พบกุฎอ่านไม่อ่านกุฎอ่าน Quran, เราไม่รู้เรื่องกุฎอ่านเลยอัาลอฮจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นสิทธ์อภิสิทธิเต็มที่เลยมีนักว่านใคดีนักเขียนเขียนหนังสือนนะัแล้วก็แล้วก็พิมพ์มนาะแล้วเก็บที่บ้านใครจะอ่านนี่ต้องมาหาเขานีมาขอยี่เขาเองขายไม่มีขาย คนดังด้วยขายไม่มีขายตรงหมาเขาเองสีตุ่งเขาอของเขาอ่ะแล้วกุณอ่านนีนของใครคุณอานในของพระองแน่นอนและจะเป็นของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สุบฮานะเวล่าแหละจะไม่มีคิดลับอะไรอะไรที่สามารถทําให้คนเข้าถึงกุณอ่านด้วยอนุญาตจากอัลลอฮ์เลยหรือเป็นไม่ได้แต่ว่าเราต้องมีสิ แสดว่าเราอยากได้อะไรจากการุรอ่านเนี่ยเราอย่าไปพึ่งพาอย่าไปอย่าไปอย่าไปเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปเกินไ ป, ไปเราเชาื่ออัลลอฮ์นบีนบีให้คําตอบที่มันเขาไม่น่าจะคิดไม่ได้คิดว่านาบีจะตอบแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคุณอ่านนี่จะไม่ได้เอาอย่างอื่นมาแต่า ถ, ถ, ถ้านาบีเป็นนบีโกหกเนี่ยได้เราจะให้ แล้วก็อย่าลืมนะกุตตานที่กําลังแสดงความเย่อหยิ่งต่อคุตตานี่แสดงการปฏิเสธ น, นะอย่าลืมนะนี่ก็เป็นการปลอบใจท่านนาบีกุตตานที่ท่านนบีมีเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีคุณค่าอยู่ในตัวกุตตานท่านไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาเขาไม่ต้องไปขอร้องเขาถ้าเขาจะเห็นคุณค่าของกุตตานเองเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เขานี่รับทางนำทันทีเลยท่านไม่ต้องเสียใจ ในกุฎอ่านนี่มีสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยรับฮิดายะอย่างแน่นอนแต่เขาแต่เขาเนี่ยต้องมีความเชื่อสแสดงว่าความเชื่อนี่มันมีส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเชื่อในตัวกุฎอ่านในในอายะในกุฎอ่านแต่เป็นความเชื่อยอย่างหนึ่งว่าพระเจ้านี่พระเจ้านี่มีจริงและพระเจ้านี่จะต้องมีสารที่ พูดคุยพระเจ้าต้องต้องพูดคุยได้อะพระเจ้าต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้อะเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะสร้างเรามีสมองขนาดนี้มีปัญญาแบบนี้แล้วเราไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าแบบนี้ได้โดยอุปกรณ์เครื่องมือที่พระเจ้าให้มาเนี่ยแล้วเราสื่อสารกับพระเจ้าไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้พระเจ้าแบบนี้เราจะจึงบอกว่าในคุณปะ พวกเจ้านึกว่าเราได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาแล้วก็สร้างมาเล่นๆอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยพวกเจ้านี้ก็อยู่โดยลาพังอย่างนั้นภาษีประตูอันว่าวขลักนักุมอาบสันนัาจพวกเจ้าจะไม่จกลับมาหาเราคิดกันั้นหรือคิดอย่างนี้อ่ะสรุปสมมุติคนที่ไม่ได้ศรัทธาในอิสลามไม่ไดศรัทธาในกุรานใจเขาศรัทธาในอัลลอ์ในกุราน ก่อนที่จะรับอิสลามก็แสดงว่าเขารับอิสลามโดยที่ไม่ต้องอ่ า, านบุรอ่านนั่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่การที่เขาจะต้องปล่อยตัวเองให้สัจธรรมที่เขาอยากได้เนี่ยได้เข้ามาควา้าทําไมละ่ะเพราะสมมติฐานว่า สมมุติฐานว่ามีหลายเจ้าที่กําลังเสนอสัจธรรมหลายเจ้าที่มันเสนอสัจธรรมจะต้องมีสัจธรรมอย่างเดียวที่ต้องชนะด้วยเหตุผลว่าสัจธรรมตัวจริงเนี่ยเจ้าของจะต้องเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและถ้ามีพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยพระเจ้า จ, จะไม่ยอมให้พระเจ้าอุปโลกตัวอื่นนี่นะ ที่จะมาเสนอสัจธรรมอุปโลกเหมือนกันไม่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยจะพยายามพยายามบันทอนความนา่หน้าเชื่อถือของแนวทางอื่นๆที่มันไม่เป็นจริงในทุกกรณีเนีเราได้เปรียบเราปล่อยตัวให้สัจธรรมที่แท้จริงของพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยได้เข้ามาคว้าหัวใจและสมอง และอาจจได้มีสิ่งที่ขัดขวางสิ่งที่ขัดขวางนี่ก็คืออะไรที่เราฟังมาสิ่งแวดล้อมที่ที่มันเป็นความเชื่อเก่าๆ เ, เดิมๆที่จะทําให้เรานี่กว่าจะเชื่อเุ้ยไม่ไดม้มันไม่เหมือนเหนะมือนไม่เหมือนที่เราเคยเหมือนตอนเนี้ยที่กํลาลังดังอนะอะไรนะคนอะไรทํานะ ชื่ออะไรนะเออคนตื่นทาคือพยายามที่จะพยายามที่จะตอบโต้สิ่งงมงายด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือผมเชื่อนะถ้าทําถึงที่สุดเนี่ย คนไทยเนะนี่ยเยอะนะจะหอ้โหตาสว่างแต่จะไม่จบที่เขานะเขาจะไปไกลมากกว่านั้นเพราะจะหาว่าเอาเรื่องนี้เป็นที่ตั้งนี่ไหมถึงต่อต้านสิ่งงมงายนะไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดหรอกอยู่แค่นี้ก็ไปไม่รอดสิ่งงม ง, งายเนี่ยก็คือทุกสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังทำให้ยังทำให้มนุษย์เนี่ย เป็นธาตุแก่สิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันอันนะั้คือสิ่งที่งมงายถ้าเรายังยอมเป็นทาตุในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังงมงายอยู่ดิจนกว่าจะปลดแอกเหล่านี้หมดเลยให้เป็นทาตเป็นเบาของผู้สร้างอย่งเดียวมันนั้นนะไม่งมงายแล้วที่สุดลที่สุดแล้วคุณกูต่าห น, นี้ก็เหมือนกันนบี อัลล hey, ์บอกให้นบีเนี่ยไปประกาศว่าเราเชื่ออัลล um, ์ถ um um. ้าอ um, ัลล์ส่งประสงค์แสดงว่ามาชีอความประสงค์ของอัลลอฮ์สุภานอัวดาลเป็นเป็นที่สุดที่สุดของผู้ศรัทธาทุกคนพระประสงค์ของมัชชีอุลลอฮ์ที่สุดอัลลอฮ์จะทำอะไรก็ได้อัลลอฮ์จะประสงค์อะไรก็ได้นี่นนะ คือพระเจ้าต้อง ม, ตองมีต้องมีพระประสงค์ที่ไร้ขีดจำกัดถ้ามีขีดจำกัดถ้าประสงค์ของพระนี้จำกัดไม่ใช่พระเจ้าแต่ถ้าเรายอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะี่แสดงว่าเราต้องยอมรับในพระประสงค์ของพระองค์ที่ไม่มีขีดจำกัดอั น, นี้มันมีประโยชน์ในมิติอื่นๆนะตอนขอดูอา ตอนอยากได้กำลังใจแล้วต้องคือถ้าเราไม่มีพระเจ้าแบบนี้เนี่ยนะเ <c oughs> นี่ยถูกถล่มกันระนีระนาดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีพระเจ้าเนี่ยกเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มมูจาฮิดีนของฮามาสเเวลาเขาถูกยิงมีหลายภาพมนะันก็ถูกยิงถูกสไนเปอร์ะอะไรอย่างเงี้ย คงคไม่มีเสียงเลยนะคือตายคาที่เนี่ยแบบไม่มีเสียงเลยถ้าสามารถได้ในเร่มีภาพบางภาพที <childhood> ่เขาให้นะดวนเลยเลยนี่คือเสียงที่ที่เขาแต่ถ้าหันยู่ใวเวลาเวลาโดนยิงโอเสียงตะโกนลั่นตะโกนลั่นเสียงดังแสดงความเจ็บปวดมันเพราะอะไร ข้อสังเกตนี้มันเพราะอะไรอาจจะมีบางอย่างที่เราบองไม่เห็นเช่นฮะดีสานนบินบิสซาลลอฮุลลอฮิซุลเลมีตนนบทบิทบน บ, บอกว่าชาหีดคนที่อัลลประสงค์จะเป็นชาหิดก็คือที่เสียชีวิตในส่วนมรภูมในโหนต่างคนละเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยในความบาดเจ็บที่เกิดในสงครามนอกจากว่า จะถูกฟันดาบหรือจะยิงธนูเนี่ยหรืออะไรก็ตามอ่ะนะเปรียบเสมือนเข็มเนี่ยไปที่เขานิดนึงแค่นั้นเจ็บจบละนั่นคือความเจ็บของเขาแล้วเขาจะตายด้วยความเจ็บแค่นี้นะแล้วก็จบเ ป, ไป็นเสีดเลยเป็นไปได้ว่าเออที่เขาไม่ร้องนี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้สึกเจ็บอย่างที่นบีบอกเขาไม่รู้สึกเจ็บเหมือนคนอื่นเที่ยร์นเลี่ยบเป็นเสีหิดนะ หรือรางวัลที่เขาได้มาเนี่ยอย่างเช่น شهيد ในน บ, บี บ, บอกว่าพอเสียชีวิตแล้วนี่เขาจะเห็นเหรอตาแหน่งเขาในสวนสวรรค์และน บ, บี บ, บอกว่าเลือดหยดแรกที่พุ่งออกมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขารู้นี่ว่าหยดแรกที่พุ่งออกมาเนี่มันจะลบล้างบาปของเขาทั้งหมดเลยมันเพราะรางวัล น, นี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาไม่รู้สึกเจ็บ ความประสงค์ของอัลลอฮ์มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องปรับใจตัวเองตลอดนบีบอกสอนว่าอย่าไปโทษอดีตท่าถ้ากูทําแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดแบบนี้นบีบอกว่าแล้วคําว่าถ้าหากว่าไอ้ทา่นานีนะแล้วจะ่กลียบงานของชัยต้า มันจะนํามาซึ่งข้อสงสัยของเชตตอนแล้วทําให้เราเนี่ยซึมเศร้าวนเวียนอยู่กับเรื่องของอดีตตลอดอานาบินสอนให้ทำยังไงวันแรกินเปลี่ยกลแต่ถ้าว่าให้พูดถ้ามีอะไรที่พลาดไปในชีวิตพลาดไปไปเรียนอะไรที่เราไม่อยากเรียนเอาเรียนไปแล้วทําธุรกิจอะไรที่มี ไอ้แช่ลูกสู้อะไรก็กกกตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้พลาดไปแล้วพลาดไปตอนเห็นไอ้บอสออกมาร้องไห้ของอ๋อเขาพลาดไปแล้วทายังไงถ้า ไ, าไอ้บางคนนั้นมันไม่โทรมันไม่ไลน์มาบอกกูว่านี่ป่านนี้เนี่ยมันเสียไปแล้วนี่สองสามล้านเนี่ยมันเสียเพราะไอ้บางคนนั่นแหละหากต่าหากกันอีกสองสามวันนี่กินยาซึมเศร้าแนะ่คิดในเรื่องอดีต เ, เดียวนะ่ะ نبي บ, บุกะฟะลีย์คุณัดดา์ الله و ما شاف الله برسمه และสิ่งที่ Allah จะให้เกิดขึ้นเนี่ Allah ก็จะสั่งการให้เกิดขึ้นเราจะไม่มีอำนาจอะไรมันเกิดขึ้นเพราะ Allah สั่งการให้เกิดขึ้นและพระองค์นี่มีฮิกมาพระองค์นี่มีความรอบรู้เพียงพอที่จะรู้ว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเราอย่างหนึ่งอย่างใดดูที่เราไม่รู้ ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าไม่หรอกแต่เป็นประโยชน์แม้กระทั่งบาปที่เราทำแล้วเราเสียใจศา ส, สนาไม่ได้บอกว่าให้เรานี่มานั่งเสียใจในเรื่องบาปไม่แต่เรานึกถึงบาปที่เราเคยทำแล้วบาปนี้ที่เราเคยทำนะจะทำให้เราขยันทำไมบาดาแล้วก็ฟื้นฟูการกลับเนื้อกลับตัวของเรานี่นะอันนั้นนะ่ะที่เป็นประโยชน์มากมากกว่า ทำบาปแล้วก็เสียใจวนอยู่กับเรื่องเสียใจอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ทำให้บาปได้เพิ่มเติมไม่ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมก็ไม่มีประโยชน์เสียใจเสียใจเพราะ เ, เพราะเพราะบาอย่างเดียวนะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราทำบาปแล้วเรากลับเนื้อกลับตัวแลว้วพอคิดถึงบาปนี่เราก็ขยันทำทำความดีเพิ่มความดี เข้าสวรรค์นเนี่ยบางทีเข้าสวรรค์นเนี่ยพราเราทําบาปไอ้เราตอนท้อ น, อนนําบาปแล้วก็เสียใจนะบอกว่าบาปนี่มันจะดีตรงไหนดีดีตรงที่ว่าทําให้เราพัฒนาตัวเองเพราะถ้าเราไม่ได้ทําบาปนี่นะบาปนี้เนี่ยเราไม่ถึงจุดนี้มุมมองไงุมมองว่าบาปนี่มันจะดีตรงไหนทาไมเอาล็อตประสงค์ให้ฉันทําบาปอ่าแล้วก็คนที่ทำบาป แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวทำไมละอัลลอฮประสงค์มีมีแน่นอนอ็งแ่เราไม่รู้ในโลกนี้ในโลกนั้นไม่ใครรู้แต่ต้องมีต้องมีให้กนมาต้องมีเรื่องดีแน่นอนแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่อัลลอฮจะให้เราได้เห็นพิสูจน์ดิ พิสูจน์ว่าคุณอ่านเนี่ยเป็นความจริงที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้มาอุปโลกไม่ได้มามโกหกไม่ได้มาประดิษฐ์ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเองพิสูจน์ดิรามาบอกกับฉานนายบอกว่าไงกล่าวแน่นอนฉันได้มีอายุอยู่ในหมู่พวกท่านมาก่อนนั้น พวกท่านไม่ใช้สติปัญญาคิดบังเริอนบีก่อนที่จะเป็นนบีอยู่ที่มักกะเนี่ยสี่สิบปีสี่สิบปีพอที่จะพิสูจน์อะไรหลายอย่างว่านาบีโกหกไหมเป็นคนโกหกไหมเคยโกหกไห ม, เ ค, เ, ไหมเคยกุเรื่องไหมเคยกุเรื่องไหม นบีเคยไปแอบเรียนอะไรกับพวกบาทหลวงพวกอะไรเนี่ยมีไหมมันพอที่จะพิสูจน์ได้ไงเคยไหมนบีอยู่คนเดียวก็มานั่งฝึกเขียนบทความเขียนอะไรคล้ายๆกุรานเนี่ยมันจะรู้เออไอ้ เ, อเด็กคนนี้พออายุสามสิบปีแล้วโอ้โหแตมันเขียนบทความสวยมากเลยอะ่ะพอไปรู้ไ อ, อตอนเด็กนี่เขาก็เขาเขามีเขาอ่าน หนังสือเขาฝึกขัดเขียนนะ่ะมันถึงท่ตนนบีมุฮัมมัด น, นี่ก็อยู่กับพวกเจ้านี่สี่สิบ ป, ปีนะ่ะในบันทึกของอิมามบุคารีในปีที่ที่ห้าฮิจรัตนบีสง่งจดหมายไปยังบรรดาข้าศึกหนึ่งในนั้นน่ะคือฮิรกลิสฮิรักล์ข้าศของโรมัน กษัตริย์คนนี้มีความรู้นะอยู่ความรู้ในบบเบิลเฮรัคเลสเนี่คนนับถือศาสนาคริสต์นิกายโออร์โธดอกส์จดหมายไปถึงเฮรัคเลสตอนที่นบีอุปยพไปจากมักกะแล้วชาวมักกะนี่ก็ยังไปทําธุรกิจเป็นพ่อค้าไปทําธุรกิจอิเมนบ้างไปทําธุรกิจเมืองชามบ้างช่วงนั้นนหะที่ท่านนาบีส่งจดหมายไปเฮรัคเลส แบูซูฟยัเนเยตอนนี้ไม่ได้รับอิสลามตอนนั้นยอยู่ที่มังช า, ทางทาธุรกิจอยู่เฮร์คลีสพออ่านหนังสือจากท่านนบีมุฮัมมัดนี่บอกมีไหมญาติาพี่น้องคนสนิทสนมใกล้ชิดกับคนที่อ้างมาเป็นนบีเนี่ยอยู่ในอาณาจักรของเรามขาก็บอกว่ า, ามีมีอารับกลุ่มหนึ่งเขก็อยู่จากเมืองมักกาเนี่ยเป็นญาติพี่น้องมุฮัมมัดเนี่ยเขาอยู่กําลังทําธุรกิจบ้านเราเขาก็บอกว่เรียกมาเลย ระบุสุฟยานก็ไปพร้อมคณะมักกะเรลกิสก็ถามมาตอนที่อยู่กับพวกเจ้านี่เคยหจับผิดว่ามุฮัมมัดนี่เคยกกหกแม้แต่ครั้งเดียวมเคยโกหกมั้ยสักครั้งระบุซุฟยานบอกว่านี่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะเป็นมุชริกิน ขเขามัว่าเก่งกลัวเพีเดียวเท่านั้นแหละเก่งกลัวว่าเก่งกลัวว่าคนเขาจะหาว่าข้าพเจา้าโกหกข้าพเจา้าไมาาก่กล้าโกหกตัวอบูสุบยานนะพอจะอยากจะกโกหกก็จะบอกว่านาบีหมอมุสลิมเคยโกหกทําไมผลได้มาคืออะไรก็เห็นหรือก็มไม่ศรัทธาเนี่ยและเป็นสิน่งที่ชาวมัคกะฮ์ตอนนั้นต้องการแต่นี่อบูซุบยานนี่เขารู้แล้วว่า ไอ้ในกรีซถามถึงท like ่านนบีมฮัมมัดไอ้ไอ้พวกองครักเนี่บอกว่านี่มีเรื่องของคนหนึ่งชื่อมูฮัมมัดญาพี่น้องคนเนี่ยปรักดิ์นี่เขาจะถามอบดุซูกยานี่ฮะเนี่ยกสิบกสิบกับพวกวัววัวแล้วก็อามีรอามรอิบนะอบีกับชนอิบนะอบีกับชากับชเนี่ยอิน ตาทวดของนบีไม่ใช่อิบเนอบีกับชันเนเป็นตาทวดของท่านนาบีอารับปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาจะอ้างนามสกุลเนี่ยเขาจะอ้างทางพ่อถ้าจะอ้างทางแม่เนี่ยในกรณีที่อยากจะ d i ส c r e d i t เขาก็บอกว่าเนี่ยลูกหลานอิบเนอบีกับชันเนี่ย พูดถึงใครท่านน บ, บีโอเคไนี่ยพอเขาไปยังเป็นมุสลิมไงเขาก็กระซิบบอกกับพของนี้กษัตริย์เฮเรกลิสเนี่ยเรียกเราจะมาถามเรื่องเรื่องมุฮัมมัดแล้วนี่แสดงว่าเรื่องมุฮัมมัดดังแล้วเว้ยมุฮัมมัดดังแล้วเว้ยไม่ใช่แค่มักกะฮ์เลยนะนี่ไปถึงกษัตริย์ของรูมันกษัตริย์อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนนั้น อับูสุยานบอกว่ากลัวเดี๋ยวก็จะไปสืบแล้วก็จะพิสูจน์ว่าฉันเนี่ยโกหกฉันก็เลยไม่ยอมโกหกขนาดเป็นมุชลิมอนเน่ยเขายังเขายังไม่อยากมีประวัติโกหกเลยเขาก็เลยตอบกับเบเรติสบอกว่าไม่เคยมุฮัมหมัดนี่ไม่เคยโกหกหลังจากนี้ตอนนั้นน่ะแทนอบดมุฮัมหมัดกับชาวกุเรชโอ้โหสงครามนี่มีกี่รอบแล้ว ปัดกันเละเลยถ้าจะถาจังหวะจะได้สเครดิตแต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยจังหว่ดีที่สุดสิทำไปไม่ยอมเฮร์กลิสบอกว่าข้าพเจ้าก็ว่าแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่โกหกตลอดสี่สิบปีที่อยู่ก <laughs> <laughs> ับพวกเจ้านี่นะสี่สิบปีไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็จะมาโกหกต่อพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นตะ ก, กะที่อยู่ในตัวริซาละตัวศาสนาอิสลามของท่านนาบีที่ดีสุดได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สมองอะไรมากถ้ากุรานนี่เป็นถ้าคุรานนี่อุปโลกไม่ได้มาจากอัลลอฮ์นี่นะมันต้องมีข้อสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เห็นนะว่าชีวะบอกว่าท่านเป็นนบีเคยโกหกไหมนบีเคยไปขโมยตำราคัเพียรุ่นก่อนไหมแล้วจะมาลอกอะไรมั้ยไม่ช่วงนั้นนะ่ะ ที่พวกทั้งสองศาสนายอหูและโซราที่ไม่พอใจการเผยแพร่ของท่านนาบีเขาแน่นอนเขาก็ต้องค้นหามาแล้วเนี่ยหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งว่ะอันนี้กุตรานนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องก๊อปรหรือเปล่าเรื่องไปลอกมาจากคนอื่นมาหรือเปล่า าท่านน บ, บีพูดนี่นะก็มีในคุตตามีในไบบลมีในตอร์รัก็จริงเอาแล้วก็ยูทูตตอนนั้นนะ่ะทาไมไม่บอกสักคนหนึงบอกกับท่านน บ, บีโอ้ท่านก็มาจากของเราทาไมเพราะเขารู้ไงประวัติเขามันมันรู้นะประกอบกันคือรู้ว่าท่านน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยดื่มนมกับแม่นมกี่คนแค่ขนาดนี้ยังรู้เลยนะ ขนาดนี้ยังรู้เลยอะอแล้วก็เท่านนาบีแอบไปแอบไปเอาไปนั่งท่องใบบันสักสองสาหน้าเตาร้อสักสองสามหน้าก็ต้องมีคนรู้สิยาวุนนี่มีคนสักคนหนึ่งบอกหนอเรื่องนบีมูซาที่อยู่ในสุรบกกร้อนท่านก๊อบมาจากเตารอ้อไม่มีคนยูสักคนหนึ่งพูดกับท่านไหนาพูดไม่ได้พิสูจน์พิสูจตทุกพิสูจน์รเรื่องนี้ได้ไง ข้ า, าเจ้าใช้ชีวิตกับพวกเจ้านี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมี้กับลี่มาก่อนมาก่อนหน้าเนี่ยอยู่กับพวกเจ้ามานานแล้วแล้วไม่ใช่แบบว่าอยู่แบบเงียบแบบอยู่แบบอยู่แบบอยู่ตามคอนโดอนะอย่แบบคอนโดนี่ใครอยู่แบบคนยอนโดไหมใครอยู่คอนโดไหม พออยู่คอนโดนี่ไม่รู้หรอกใครเป็นใครอยู่ในคอนโดนี่ยห้าปีเนี่ยห้องข้างๆไม่รู้เป็นใครและอยากรู้ด้วยเวัดีดีสแล้วสุดมากเจอกันที่ไหนลิบมันเป็นศูนย์รวมแห่งชาติลิบอาที ลั บ, บีเขาก็นั่งกันว่าลั บ, บีนั่งกันเอ้ยมาจากไหนมานี่มานี่มาี่มาคุยหน่อยชื่อป่าชื่ออะไรนะชื่อไม่มีไอสังคมแบบเนี้ยในคนโดดไม่ไม่ไม่มีในคนโดแบบนนโดอันนี้บุญแล้วนะถ้ายิ้มนี่คือบุญแล้วนะไม่เคยอยู่คนโดดแต่มีคนคนเร ก็ได้อยู่แบบตัวไข่ตัวมันนี่ไม่ใช่สมัยนบีเนี่ยไปไปทําธุรกิจด้วยกันเป็นพ่อค้าไปด้วยกันเดินแล้วนั้นมันไม่ใช่แบบนั่งเครื่องบินนะพอขึ้นเครื่องแล้วกันแลับนี่ไปตื่นนู่นปลายทางไม่ใช่เขาขี่อูดนั่งอูจุ้งอูทํำบอนั่งพักกันก็ต้องทํากับข้าวนอนด้วยกันการเต้นทนี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยวิธีชีวิแบบนี้เห็นเห็นจะไม่รู้ได้ไงอะไรละเอีกอะ ายละเอียดในชีวิตเนะี่ยบีเรียนรู้กั น, นว่นะบีอ่านไม่เป็นไม่เคยไปเรียนวิธีอ่านวิธีเขียนหนังสือเนะี่ยบีไม่เคยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาทา้าเอาคําพีเนี่ยมาทา้าชาวอาลับทั้งโลกตอ น, นั้นอาลับก็มีไม่ดีมีชาวพ่อที่ข้าศูนย์อาลับนะบที่เมืองช้ามก็มีอาลับท้าลับหมดเลย ทำได้ไหมกูอ่านวันนี้ทำไม่าโอ้คนนี่ไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนอะไรเลยนมาท้านะมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาสิเป็นตัวพิสูจน์ไหมว่าเรามาลองลองอ่านกูอ่านแล้วก็ดูว่ากูอ่านนี่สามารถเปลี่ยนแปลงทําอะไรบ้างในชีวิตของเราเพราะตัวท่านนาบีลําพังเจตนารมของท่านเหนี่ยไม่ได้อะไรถ้าเขาโกหก أُبَلُّ ُ ر ْ ن ك ن َ م َ ف م َ ن ْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ نَنْفُذَ ا ل ْ ل َّ ت َ أ َ م ي ِ ن ْ ق َ ب ُ و ََ ل َّ ت ِ ه ا ت ل َ و ُْ ك ل ََّ ا يَقْعَ لَهُ و َ ن ل يَقْعَ لَهُ ي َ ق َْ ل َ و ُ مَنْ ل ََ จะมีใครสุลุลใครอธรรมยิ่งกว่าความอธรรมของคนที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์หรือเอาจากเดิมบดุลอายาที่หรือผูป้ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของพระองค์แสดงว่ามีค่าเหมือนกันมีค่าเหมือนกันถ้านาบีกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ว่า น, นี่คือคุรานของอัลลอฮ์แล้วมันไม่เป็นอัลลอฮ์อันนี้คือ เป็นอาชัยกรรมที่ร้ายแรงที่สุดและถ้าุณอานเนี่ยเป็นจริงที่มาจากอัลลอฮ์แล้วเราได้ปฏิเสธคุณอานนั้นนั่นน่ะก็ถือว่าค่าเหมือนกันเลยเป็นอาชัยกรรมที่ไร้ายแรงที่สุดเช่นเดียวกันเอากะเดบบนี้เหมือนกันเลยค่าเดียวกันอินเนอุลัยฟิลุลมุจริมุนแท้จริงบรรดาผู้ทําปิดนั้นย่อมไม่บรรลุความสําเร็จัลมุจริมูนเนย แปลได้ว่าวอาชัยเกคนอิจุรอมเนี่ยอิจุรอมจุรุมภาษากฎหมายเนี่ยอาชัยคำจุรุมอาชัยคำผู้อาชั ย, ช ย, ชยผู้เป็นอาชัยคนบรรดาผู้อาชัยเอกเนี่ยบรรดาอาชัยเอกเนี่ยไม่ใช่พู ด, ดบรรดาอาชัยเอก น, นั้นย่อมไม่บรรลุความสําเร็จทั้งคนที่กล่าวเท็จ ต, ต่อพระเจ้าและคนที่ ฟังสัจธรรมจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ศรัทธาปฏิเสธสองเรื่องนี้เป็นเป็นดวงวิญญาณของมุชาหฮะดีสที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาภายหลังคือยุคของท่านนบีเนี่ยนบีเป็นคนอ่านกุอ่านเองเป็นคนพูดฮะดีสเอง แต่คนที่ฟังกูอ่านจากนบีฟังฮะดีจากนบีเนี่ยไม่ได้มีวาสิตอนี่ยไม่ได้มีสื่อระหว่างเขากับนั่นนบีเนี่ยเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรเขาก็เห็นนบีพูดอยู่เห็นนบีฟังนบีกําลังพูดอยู่แล้วนบีกาลังคนนี้อัลลอฮ์พูดในบันทึกของบุคฮรีและมุสลิมสหาบ้านชนบทคนหนึ่งชื่อดมยมอิบนุสอัลเลบะชนบท ด้นว่นบีมุฮัมมัดนี่มามาเทศนาเขามาวะซิตนี่ไม่ไม่นั่งไม่พูดไม่คุยไม่อะไรเลยยะมุฮัมมัดยังไม่ได้ศรัทธาไงยะมุฮัมมัดเอกนบีไม่ได้จะเป็นมุสลิมเรียกเรียกชื่อนบีบะบาเนยไม่ได้อัลลอฮว่าแล้วแตรา دعاء ا ل ل بينكم كدعاء ب ع, ع ض ع ض ه อัลล์ฮม صحاباني เอกมุฮัมมัด คนนี้เรียกมุฮัมมัดอย่างเงี้ยสาบไหมจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่มุสลิมมีนะคนนี้เขาดูอานี่ยามุฮัมมัดยามุฮัมมัดดีเขาดอาฮเซนยาฮเซนยาฮเซนยาลฮีนยาฮเซนยาฮเซนแล้วก็มีด้วยเด็กคนีดูอานบีก็มีนะยามุฮัมมัดยามุฮัมมัดดูอท่านนบีขอให้นบีช่วยยามุฮัมมัดยาอันนี้ก็เสียมารยาและยังเป็นชีริกด้วยแถมยังเป็นชีริกด้วย มุสตาี่ไม่ทาแบบนี้ไงแต่นี่ไม่ได้เป็นมุสตาธาไม่ได้เป็นมุสลิมยะมุฮัมมัดมัน خلق สัมาใครที่สร้างฉันฟ้าท่านนบีตอพรองค์ว่ามันนั่งบนจีบันลใครดีได้ก่อตั้งบรรดาภูเขาทั้งหลายเนี่ยบนโลกนี่พระองค์ อออสแอระาเาว่าจ้าถามเจ้าจริงด้วยพระเจ้าที่สร้างชั้นฟ้าและกลางภูเขานี่บนพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยพระเจ้าองค์นี้ส่งเจ้ามาเป็นรัศูลให้พวกเราจริงหรือถามแบบดิบๆเลยนะคือถามก็รู้ไอ้พระเจ้าที่เราพระเจ้าเดียวกันดีที่ฉันที่ฉันยอมรับเลยพระเจ้าเอาพระเจ้าเดียวกัน พระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งลเออพระเจ้าถ้าพระเจ้าดีกันเออไปขึ้นทางแล้วเออพระเจ้าที่องค์เดียวกันเนี่ยส่งเจ้าคือถ้าพระเจ้าเดียวกันเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ที่นบีจะเชื่อในพระเจ้าแล้วก็แล้วก็จะอ้างว่าส่งจริงแล้วเราไม่ได้ส่งเป็นไม่ไม่ได้พระเจ้าองค์นี้ส่งเจ้าจริงหรือเปล่าจริงส่งให้ฉันมาประ ทำแบบสัส้นๆนะข้าเจ้าขอถามเจ้าแล้วมาเจ้าองค์นี้สั่งให้เราละหมาด ก, กี่ครัง้งละหมาดครั้งสั่งให้เราได้ถือศีลอดย็งไงถือศีลอดแบบนี้สั่งให้เราได้ออกอากาศออกสากาศแบบนี้รับทราข้าพเจ้าจะทาแบบนี้ไม่เกินและไม่ลดอลัาลลมายกุมก บ, บดีบันทึกโดยบุคคลใมุสลิมี่าแบบ หุน่หนหนดิบๆถามคำตอบคำแล้วนบีกร็รู้อั น, นี้นี่คือฟีล l i ของชนบทไงฟีลิิของชนบทก็ดิบดบแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ไม่ถามเยอะแต่แต่แบบมันไปเร็วไงไปเร็วถามแค่นี้แหละไม่เกินแล้วก็ไม่ไม่ลดนบีบอกว่าอัฟละฮะอินซตักถ้าพูดจริงนะ พระสบขวามสมฤิบางเรงนนไมุสลิมถ้าทำตามนั้นจริงนะไถึงิมะเป๊ะๆเลยนะไม่เิ่มแล้วก็ไม่ลดนะเข้าสวรรค์แน่นเองแต่แล้งจะบอกว่าคนอย่างอาหรับชนบทนี่มันไม่ได้มีอะไรแทกอาหรับชนบุรุษเขาไม่ดูละคร คนนำเน่าไอ้พวกตัวอีฉาพอกเอ็มไม่ได้ดูของพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาก็ถามถามตรงเนี่ยเนี่ยภูเขาเนี่ยเป็นฟ้า น, นี่ที่เราเห็นกันเนี่ยใครสร้างอ๋ออ๋อรู้จักกันรู้จักจกันหรอพระเจ้าเดียวกันพระเจ้าเนี่ยทรงแจ้งเป็นพระสูะจริงป่าจริงแสดงว่าโอกาสโอกาสที่เขาจะ คิดอะไรมากในเรื่องที่มันไม่ควรคิดนะเพราะมันมีสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยพิสูจน์ไงทำให้สมัยนน้นนะ่ะสมัยท่านในวียเนี่ยคนที่ไม่มีอุปสรรคในการรับอิสลามรับอิสลามเร็วมากส่วนมากที่มีอุปสรรครับอิสลามนี่ส่วนมากนะคนที่เสียผลประโยชน์ผลประโยชน์ด้าน ตำแหน่งยุดทั้งศาสนาอย่างเช่นยู่อยูเขาคาดหวังว่าน บ, บีที่มาเนี่ยต้องชื่อสักโมเสสอิบราฮิมอะไรนีช้ชื่อชื่อตามตัราอะไรของเขาเนี่ยบงคนเอาชื่อมฮัมหมัดอาหมัดมาจากชื่ออาหรับมาจากสายอิสมาอิลไม่ใช่สายอิสฮาก ตระกูลเรานี่หมดท่าเลยตระกูลบรรดอิสราเอลนะหมดท่าเลยแล้วเราจะยอมได้ไงไอพวกอาหรับนี่นะไอพวกคี้ข้าเนี่ยที่มันไม่เคยมีคำภีรมาเป็นพันปปีแล้วเรานี่ยนบีที่พระเจ้าส่งมาให้เรานี่นับไม่ท่วนอันนี้มันไม่ใช่น่าภูมิใจนะที่ส่งนบีเยอะเนี่ยเพราะเพราะเขไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีไงไม่เคยเขาเนิ่งไง แต่เขาภูมิใจโอหเราเนี่ยเอาล่อส่งนบีรับไม่ท่วนกำคำคัมภีร์ก็นับไม่ท้วนไม่ใช่เรื่องดีเลยอ่ะมันเป็นเ่ที่ต้องมานั่งคิดแต่เขาเชื่อแบบนั้นอาลัฟนี่มันไม่เคยมีนบีไม่เคยมีเลยตั้งใดบรอหี ม, มอ่ะอิบรอฮิ ม, ม อ, อมมิสมาอิลไม่มีละจะมีคนนี้ไ ป, เ ป, เ, ปเป็นไปได้่องไงนี่เขา อ, อ้างเรือคนนี้เสียบนประโยชน์นี่พอรู้ในคําสั่งสอนไม่ <c oughs> บูชาเจเวิตเอา กัห้างของฉันนี่ขายเจวิตทั้งนั้นะใครจะมาบูชาจะมาอะไรนี่จะเดินทางจะแต่งงานจะอะไรนี่แต่ก่อนนู้นน่ะเวลาเขาจัดงานเนี่ยเจวิตนี่ก็เหมือนดอกไม้เต่ไปงานนี่ก็บางหมยยงนันอย่างเงี้ก็เอาเจวิตธุรกิจธุรกิจดอกไม้อย่างี้ยเป็นยังไงฮะไม่ธรรมดานะดอกไม้เนี่ยช่อนิดนึงกันพันสองพันละ จะเดินทางเฮ้ยไหนขอใหนดิษเจว็ตสักตัวหนึ่งฉันกำลังเดินทางจะไปเมืองชามอยากจะให้เจว็ตมาคุ้มครองเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์คนนั้นนะ่ะอาจารย์คนตื่นตื่ น, นอะไรนะเออที่เขาเตือนเรื่องความงงงายเสียบนปรปโยน์ดิเอามาเจ้คําคำสั่งอีกไม่ ไม่ไม่ไมทําสินาะเอาเนี่ยสองของฉันนี่เต็มน่ยเต้นแดงแดงเนี่ยที่ขายตัวกันเนี่ยธุรกิจมหาศาลเลยอะ่ะเช๋งเลยดิดอกเบีย้ยเอาธนาคารน้นนองกูเลชนี่ก็คือเหมืนอนร้อยชายเนี่ยพวกไอเจ้าของดอกเบีย้ยระดับโลกเลยเนี่ยเอาไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีโซเพนี่ไม่มี แต่ที่หลังนี่มารู้อ่ะไม่มีเล่าอับอายมุกนี่เป็นธุรกิจของเขาทั้งนั้นเสียผลประโยชน์ยอมมะยอมมะไม้ยอมนี่นั่นก็เลยยอมมะเหตุทมีนักการเมืองอยากจะร่วมพักแล้วก็สะอึกพูดเรื่องกัญชานี่ไม่มี MOU ไม่ทำเอ็มนักการเมืองถ้าทำเอ็มโอนี่เอ็มโอยูนี่ก็ต้องเงียบ LGBT เศรีก็าจเงียบมุสลิมเราเนี่ยก็โดนหลอกงโดนหลอกอาข้ไมได้บังคับไปไปให้ไป ส, สมรรถเท่ยมที่สุรางคือตอบคำคูเคยบอกกันตอบแค่นี้นะแสดงว่าไม่ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจขบวนการมันมันเป็นอะไรมันคืออะไร มีมีผลเมษานี้ปะสมรรถเจ้าเทียมใช่ปะมีผลมันออกแล้วล่ะออกแล้วจกจริงจังแล้วษาล่ะแต่จะมีผลช่วงไหนเนี่ยดวให้ดูเดี๋ยวคอยดูแต่ถ้าหากว่าอาหรับที่เขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรงื่อนายอะไรเลยนะเอ้สัต t าสัต t าง่ายในโลกนี้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าสื่อนี่มันเป็นเงื่อนไขค่อนข้างรุนแรงในชีวิตของมนุษย์ทั่วทั่วไปทั่วทวเนเงื่อนไขสื่อเป็นเงื่อนไขสําหรับลูกที่จะไม่เชื่อฟังพ่อแม่สื่อเป็นเงื่อนไขของคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะไปฟังหลักการศาสนานี่สื่อนี่มันจะมีอิทธิพลทําให้เขาเนี่ยเชื่อฟังศาสนาอียา ยากลงจื่อนี่เป็นเงื่อนไขแต่คนนี่พยายามปลดปลดเงื่อนไขนี้เนี่ยจะเข้าถึงหลักการศาสนาง่ายขึ้นและเร็วขึ้นถึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราอยากจะลองลองได้รับรางวัลจาก Allah ในการอ่านคุรานเรียนรู้กุราน พยายามนะเข้าถึงกุตตานโดยที่อย่าให้ตัวเองนี่มีค่าเทียบกับอัลกุรอานพอนั่งอยู่กับกุตตานนี่นะให้ทาวัดตัวเองนี่คือเป็นคนจนเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนขัดสนเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากองค์กเป็นคนที่ต้องการให้ อ, อมาเบิกทางให้เป็นคนที่อยากได้ อ, อา ฉันขอในขอนอ่านกุตอ่านเรียนรู้คุตอ่านขออยากได้อยากได้อยากได้อะไรอะไรดีๆในกุตัานอยา่าทําตัวเองมันลงฉันคนฉลาดเป็นคนโอ้ฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถฉันมีอะไรเนี่ยส่วนมากคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยได้แต่ผิวเผินของอัลกุตัานความหมายของอัลกุตั้งผู้รู้บางท่านเนี่ยเขียนหนึ่งนี่แหละ ยี่สิบสามสิบเล่มเนี่ยธิบายกุฎานไม่มีให้อ่าน ม, มีใหอ่านแต่บางทีหนังสือสองสามเล่อธิบายกุฎอ่นอนานอะอ a l มีบราระกะอาที่ใบสันส้นๆง่ายๆคนเข้าถึงถ้าเป็นเรื่องแปลก็บางหนังสืออย่างหนังสือตับซียร์อบนุกเซีรเนี่ยพิมพ์ไม่รู้กี่พันครั้งกี่พันกี่หมื่นครั้งก็ไม่ร เป็นทางกนที่ไปที่เป็นทางกกรี่ครั้งแต่สิรุลจัลาเลนจัลาลนนคนนี้เขียนอธิบายแบบสั้นๆเลยนะเลยเคนนี้เขียนนี่คือสองคนจัลาลุดดีนอัลมาฮ์ลีและก็จัลลาลุดดีนซิใช่ปะสองคนชื่อจลาลุดดีนเขาเยกเรียกว่าแตรุลจลลเาอ่านรุลจลาน เพราะอะไรคนหนึ่งทะลาลุ ด, ดีนีคนหนึ่งก็ช้จะลาลุ ด, ดีนก็เลยสองะลาลุ ด, ดีนนะเอะสองเจานี้ก็เลยจะลานหนังสือนีดังมากดังมากทั้งดังนีจะลาลุ ด, ดีนอลมาฮัน ล, ลตอนเขีย น, เ, นยเขียนไปขึ้นหนึ่งแล้วเสียชีวิตจะลาลุ ด, ดนีนสูรีก็เลยมาเขียนต่อทีจริงหนังสือที่สองคนเขียนเนี่ย ดูเหมือนว่าคนคนเขาไม่ชอบนะจะใครพันหนังสือนสองคนเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะก็ะอะไรกันเลยอะไอ้ฟีลลิ่งเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกันมีหลายคนนะที่เขียนหนังสือต่อๆกันนะก็มอนไม่เหมือนกันมาตรฐานไม่เหมือนกันแต่หนังสือเนี่ยเขเลาะให้มันไม่ไดีขึ้นอยู่ที่วิชาการความสวยงามเรื่องอื่นเรื่องอื่น แต่ฮามดุลลาห์นี่เราได้มีโอกาสเลือกหนังส well, like. ือท <Sh ot two> ี่เราจะอธิบายกุณอ่านนี่ก็มีเยอะแต่เราได้เลือกตัวกุณอ่านในเป็นที่ตั้งในการศึกษาเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่านกุณอ่านอ่านกุณอ่านศึกษากุณอ่านแก้ไขปัญหาชีวิตมีปัญหาชีวิตนะมีอะไรปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหากับลูกปัญหากับพ่อแม่ปัญหา เรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องธํามหากินอ่านกุตัานด้วยเจตนาให้อัลลอฮฺรูดประทานทางนําทางนําแล้วก็เชื่ยวอะทางนํานี่ต้องมาในคุตอ้งเป็นเป็นไม่ได้ที่อัลลอฮฺบอกว่าสุโรให้เราได้อ่านเองที่นกสุโรตนุสตะกีมที่อยู่ในกุตัานเนี่ยแล้วก็คุตั้งจะไม่มีทางนำมีแน่นอนมีแน่นอน ยลคนนี้ก็อ่านคุตอานด้วยบารากัตเนี่ยหมายถึงวอ่านคุตตอนด้วยความสิริมงคลอ่านกุตอ่านอ่านคุดอ่านจะได้ขี่ไขสถานการรู้สึกโมโหถ้าคุอ่านรู้สึกเครียดถ้าคุอ่านรู้สึกรู้สึกอกหักมีอกหักส่วนมากอกหักทำอะไรไปกินชาบู อ, อ ก, ก น, อน่อ่านอ่านกู อ, อ่านซะอ่านกูอาอนอสุรจยุซุฟเราจะรู้ความจริงว่าเรางูขนาดไห น, น อ, อกหักนะอ่านสุรจยูสุฟซะจะรู้ว่าเราเราเราโดนหลอกเราโดนหลอกเพื่อนมันแล้วเรารู้สึกหมุดหงิด รู้สึกอะไรที่มันตันๆไรู้จะไปยังไงแต่การศึกษาเรียนรู้ความหมายคุณลักษณะนี่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องอ่านกุณอ่านนี่มันต้องทํำมาเป็นกิจวัตรแต่การศึกษานีนกระบวนการต่อเนื่องเขาเรียกความรู้สะสมสะสมไปเรื่อยเรารเรียนวันอังคารเรียก ท, ที่ไปที่ที่นไปที่อื่นเขาเขาสอนความหมายก็ไปเรียนมีนั่งเสื้ออาไปอ่านมีบรรยายอ่าไปฟังอะไรเงี้ยนี่สะสมสะสมเนี่ย ภูมิปัญญาที่เกิดจากการการเรียนรู้กุรอ่านอย่างตอนนี้เนี่ยอันนี้คลังคลังที่จะช่วยให้เราได้มีทางออกนะในว่าเจอวิกฤตต่างๆในชีวิตของเรามีคำถามไหมครับอืมใช่ใไม่มีไม่มีชใช่แต่ด้หากว่าเรารู้สึก อย่างเช่นเรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่หน่าดึงดูดหน้า ด, ดูหน้าผมจะอันนี้เนี่ยที่เราต้องทำทำความปรับความรู้สึกว่าไม่ใช่มันเป็นตอุ้ดนะมันเป็นพาคีนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกตั้งให้คู่เคียงกับพระเจ้านะนี่อันนี้ก็ต้องปรับความรู้สึกจะได้เพราะบางทีเนี่ยตอุูดอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ <c oughs> ถูกส ก, การะอื่นจากอัลลอฮ์นี่ นื่องจากว่ามันมีสิ่งเร่องราวที่ทำให้ดูสนุกดูอลังการโอ้โหเฮ้ยอลังการอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันไม่ไม่ค่อยถูกต้องที่สำคัญนะก็อย่าอย่าไปถึงขั้นที่ไปเชื่อในอิทธิฤทธิ์ในในในความสามารถพิเศษในสิ่งเหล่านี้เป็ลสวาเอาบททางไป ตนนีบันเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเขาต้องยังเขายังอ่อนแออยู่เขาก็พูดในในบลูส์น่าจะเป็นเทวิตเตอร์นะเขามีบัญชีในนะทเทวิตเตอร์และตลึกดำเลยเขาบอกว่าถ้าประเทศต่างๆรนะัฐบาลเบิกทางให้เขาเนี่ยไปสู้ที่อักซอนี่นะเดี๋ยวไม่ไม่ต้องมีใครมาช่วยเดี๋ยวเขาจะจัดการเขาจะคืนอักซอมาทันทีเลยมันก็แค่คําพูดที่น่าจะพูดให้รัฐบาลต่างๆในอับอายแค่นั้นแหละ แท้จริงสิ่งที่กำลังขัดขวางชัยชนะสิ่งที่กำลังขัดขวางความช่วยเหลือไปย่างพี่น้องบาลไซ์เนี่ยไม่ใช่ยูไม่ใช่ยูยระเทมุสลิมเราเนี่ยแหละ ช่วงช่วงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยจะถูกดึงออกมานะแล้วมาอะไก็นี่ยก็จะรับเสด็จวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยรับเสด็จไปไปยั ง, ยงอนนัลลอห์นี่ต่อหน้าอัลลอฮ์สุภาหนวะตาละเพื่อเสนอวิญญาณ น, นี้แล้วก็มาอะไรก็จะมีกระฝันเฉพาะนังกระฝันพิเศษสำหรับคนดีนะแล้วจะขอรับอ น, นุญาตจากอัลลอฮ์เนี่ยจะได้ให้ดวงวิญญาณของคนคนเนี้ยได้คืนกลับสู่ร่างของตัวเอง ถ้าคนชั่วนี่ก็จะถูกถูกประนามถูกอะไรต่อถูกด่าตอนขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วก็รับอันนย่ยเช่นเดียวกันก็จะกลับไปสู่ร่างช่วงนั้นนะ่ะช่วงที่มาลากาขึ้นไปเสียช่วงนั้นไหละก็ช่วงที่เรากำลังเตรียมมายัดกระฝันกำลังปาไ ป, ไปไปละหมาดละหมาดเสร็จแล้วนี่พาไปฝังฝังกูโบโกบเสร็จแล้ววะนะอวิญญาณเข้ามาที่ร่างเหมือนเดิมเข้าเสร็จแล้วนี่มาลายกาก็จะก็จะเรียกให้ ใ้สอบสวนหลังจากที่กบเสร็จแล้วครับก็จะถูกปฏิบัติในมิติที่มันใกล้เคียงกับเรื่องเนี้ยยังไงไม่มีใครรู้อาลัมบาร์ซักเาอยถูกเผาไปทิ้งไปในท้องทะเลปลากินไม่มีชิ้นดีแล้วยังไงเขาก็อยู่ในอาลัมบาร์ซักตามมิติที่อัลลอฮฺประสงค์จะเป็นยังไงทุก็ต้องมี เร่องมาลายก็สงส่วนก็จะสอบสวนยังไงนี่ก็มีรูปแบบของเขาแต่อันนี้รูปแบบทั่วไปที่ท่านนบีแจ้งสำหรับสำหรับตามหลักการศาสนาที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาสําหรับคนที่ร่างของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกปฏิบัติตามนั้นก็ก็จะมีรูปแบบตามนั้นนะครับผู้ชายตัวสาวนี่ก็มนุษย์ชาขัดเกลาเขาแยกไง คือทจิงเนีแหลงวิชานีคือกุรานละฮะดิษแหลง <S <S <ม>วิชาต่างๆคุรานละฮะดิษแต่เขาบอกว่าจะคนจะมาเรียนวิชาต่างๆจากคุรานละฮะดีษเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ฉลาดพอต้องแยกวิชาออกหเหรอวิท ย, ยากรณ์ก็แยกออกมาก็สังเกตว่าวยากรเนี่ยเวลาเขาจะอ้างถึงหลักฐานความถูกต้องของประโยกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอ้างกุรานละฮะดิษเนี่ยแยกมา นิติศาสตร์เนี่ยเขาแยกมาใช่ไแยกแยกกูชอบที่มีคนอ่านอ่านได้ที่มันก็มีตัวบทหลักฐานที่พูดถึงเรื่องการขัดเกลาเ์เขาก็เลยแยกออกมาทําไมเรียกว่าเป็นตวัวสูบเพราะตอนนั้นนะ่ะคนที่ใส่ใจเรื่องนี้เนี่ยก็คือคนที่เขาสา ม, าามัครคนที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของแบรนด์ของอะไรนี่ตะกอนนู้นนะ่ะนะขนสัตว์นี่มันเป็น มันเป็นผ้าผ้าดิบของคนที่เขาจะสวมทั่วดังนั้นคนที่ไม่ใส่ของแบรนด์น่ะกอไม่ใส่ผ้าไหมไม่ใส่ผ้าดีๆเนี่ยก็จะใส่ผ้าขนสัตว์ก็คือซูฟเขาบ อ, อนีพวกกูมีนี่มีแต่ผ้าขนสัตว์ทั้งแต่เน่ยพวกซูฟีอะแล้วก็อะไรเนียก็อ๋อก็จะวิชาของขนี่ชาตาวัวสูบที่ตัวสูบนี่ไม่ว่ามาจากขนสัตว์ฉันมันไม่เกี่ยวไม่มันเกี่ยวกับ ลักษณะการแต่งกายของเขาก็ ม, ามนุษย์นาูนาะฮูในภาษาอังเนี่ยเขาอ่านว่าหนาวนาะวแต่คนไทยนี่คือจะอ่านสองอักษรพยัญชนะมีมีสกูลทั้งสองไม่ได้ต้องเขย่าต้องขยับคนไทยนนะี่ต้องอะไรนฮูเถอะหมแต่จริงๆนอ่านนาฮูเะหมนาฮูนี่มาจากไหน แต่ก่อนนูนะ้น่ะุชานี่ไม่มีชื่อแต่คนแรกที่เขียนอุชาเนี่ก็คือซีบาเวเนี่ยเป็นคนเปอร์เซียนะเขาตั้งชื่อหนังสือนาหูเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อกินะนาหูนะไหมเขาตั้งชื่อหนังสือเนี่ยเขาไม่รู้เรียกอะไรก็เรียก Al อัลกิตาบอัลกิตทบเพราะมันเป็นหนังสือแต่ก็ไม่รู้เรียกอะไรก็้อเรียกอัลกิตาบก็เลยดังไปชื่อชื่อหนังสือนาหูในชื่อหนังสือแรกนะที่อ Al ัลกิตทบ แต่เวลาเขาไปเรียนเรียนกับซีบาวนนี่บอกว่าเนี่ยเทานี้จะประโยคเนี้ประโยคนี้ร เ, นเราจะอ่านยังไงเาขาก็ประโยคนี้ต่างตามที่แต่สอนไวยากรณ์เนี่ยหน้าอูฮนลหน้า ห, หาน่าแปลว่าเหมือนเหมือนที่สอนไปเหมือนหลักการที่สอนไปน้าเขาแปลว่าเหมือนอ๋อเขาก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าหนังสือเนี่ยเป็นมาตรฐานเหมือนจะเขียนอะไรจะ จะเรียนรู้อะไรดีก็ให้เหมือนเขาก็เลยไรด้กว่าหนาเขาจะเยียวันนาูนี่สรบนี่เป็อะไรยาวนะสรบียาวลแต่ที่บยันสุบโบร์นแต่รู้และทรู้ลวใช่ไหอืมที่ทำดามไมมีนะครับสัลลัลลอฮอะบิะมุฮัมมัดวะลัยลิขุรับีอุซาลลฺมซุบฮฺรรักอัลลอฮฺอะลัยฮฺอัลลอฮสซาฟุรกัม